แม่ทับหน้าพระป่าช่วยชาติภาคหนึ่งตอนเข้าวัดเพราะอยากได้ฌานมากผมเข้าวัดป่าบ้านตาดครั้งแรกประมาณปีพศส5 3 5ตอนนั้นผมยังไม่รู้อะไรเลยเรื่องพระอรหันต์เรื่องอะไรอะไรก็ไม่รู้ ผมเข้ามาเพียงเพราะอยากได้ชานหมากจากหลวงตาอย่างเดียวเลยเข้ามาแล้วก็จดจ้องอยู่อย่างเดียวคือวันนี้มาแล้วต้องเอาชานหมากกลับบ้านไปไว้บูชาให้ได้แต่แล้วคนเก่าเขาก็เอาไปหมดผมก็ได้แต่คิดว่าวันนี้เขาเอาไปแล้วพรุ่งนี้เราก็มาอีกก็แล้วกันจากนั้นเป็นต้นมาผมก็เป็นคนเอากระถินหมากของหลวงตามาล้างมาเก็บทุกวันผมเป็นคนอุดรเกิดที่ชนบุรีแต่มาโตที่อุดร แล้วมาศรัทธาหลงตาได้อย่างไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพระอรหันต์คืออะไรผมก็ไม่รู้แต่ตั้งแต่วันที่ได้ชานหมากท่านไปผมก็มาวัดอยู่เรื่อยมาทำบุญใส่บาตรท่านแล้วก็เริ่มหางานต่างๆทําถวายท่านบ้างถวายพระอื่นบ้างใครใช้ผมทําอะไรผมทําหมด เมาทุกจอบและถูกยึดหมดมาวัดได้สักพักผมก็มาเช็ดเท้าให้หลวงตาพอท่านบิณฑบาตรกลับมาผมจะเป็นคนเอาผ้าเช็ดเท้ามาวางปูเอาน้ำอุ่นมาล้างเท้าให้ท่านผมมาทำถวายท่านทุกวันผมทำของผมเองไม่ได้มีใครสั่งใครสอนน้ำอุ่นก็ต้องดูให้อุ่นพอดีใช้วิธีเททดสอบที่หลังมือแล้วก็ต้องพิจารณาว่า หน้าร้อนหรือหน้าหนาวควรใช้น้ําอุ่นขนาดไหนพอใส่บาศเสร็จผมก็รีบวิ่งเข้าไปในวัดไปเตรียมน้ําพอหลวงตามาถึงน้ําต้องอุ่นพอดีนี่คือกรรมวิธีเตรียมน้ําล้างเท้าส่วนผ้าเช็ดเท้าก็ต้องเตรียมวันละห้าผืนสําหรับหลวงตาผมจะไม่ใช้ซ้ําทุกครั้งผมจะต้องเอาผืนใหม่ตอนเช้าก่อนที่ท่านจะขึ้นมาผืนหนึ่งผืนที่สองสำหรับท่านเดินออกไปผืนที่สามห่อรองเท้า ผืนที่4เช็ดเท้าผื้นที่ห้าสำหรับท่านเดินกลับวันละห้าผืนนี่แหละและผมจะซักต่างหากใช้การมังต่างหากที่ตากต่างหากผมมาถึงวัด5้านาฬิกาสีนาทีเปะ๊ะเพื่อมากวาดทางเดินตั้งแต่ก่อนเข้ากุฏิจนถึงบนศาลาที่ท่านนั่งแล้วเช็ดทําความสะอาดบริเวณที่หลวงตาจะเดินผ่านในศาลา เช็ดถูทุกวันไม่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรผมก็ต้องมาทําตามปกติผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าศรัทธาเกิดขึ้นได้อย่างไรแบบไหนผมรู้แต่ว่านี่เป็นหน้าที่ของเราต้องมาทําถวายท่านและผมก็มาทําทุกวันมีอยู่วันหนึง่งเป็นวันขึ้นสิบห้าค่เป็นวันอุโบสถพระอื่นๆท่านก็ออกมาสายหน่อยแต่หลวงตาออกมาแต่เช้า ผมกวาดบริเวณทั้งหมดที่หลวงตาจะเดินผ่านและไปเช็ดถูสาาตามปกติของผมแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆหายบ้างมีบ้างผมยังไม่ทันได้ปูผ้าสาาด้านล่างเพราะเพิ่งเช็ดบันไดลงมาถึงขั้นที่3มที่4เองหลวงตาท่านก็เดินมาแล้วด้วยความที่ผมเคยทำเรียบร้อยเสร็จทันเวลาทุกวันพอผมเห็นท่านเดินมาผมก็รีกระโดดลงมาตรงบันไดขั้นล่างซึ่งก็เลยลงมาอีก 4- ถึงห้าขั้นหลวงตาเดินมาใกล้ๆ บอกว่าอย่ามายุ่งกับเรานะเราไม่ชอบนะโอ้โหผมนี่หัวใจสลายนึกในใจเราทำให้ท่านถึงขนาดเนี้ยทำไมท่านมาด่าเราอีกเนาะจะทำอย่างไรดีจะพูดให้เพื่อนฟังก็อายเพื่อนก็เลยไปเล่าให้ตูบุญคนตัวเตีย้ยเตี้ยที่ขับรถตู้นะ่ะตู้บุญก็ว่าโอ้ยถ้าหลวงตาว่าอย่างเนี้ยเจ้าอย่าไปยุ่งกับท่านเลย นี่ท่านไม่ให้เจ้ายุ่งผมก็ยิ่งใจเสียพอดีมาเจอเฮียยี่แกเข้าวัดก่อนหน้าผมประมาณหกเดือนจึงตัดสินใจพูดให้แกฟังพี่หลวงตามาด่าผมแบบเนี้ยผมไม่รู้จะทำยังไงเฮียยี่รีบบอกนั่นแหละหลวงตาท่านเมตตาแล้วนะผมเลยได้กำลังใจวันรุ่งขึ้นผมมาเช้ากว่าเดิมทำหนักกว่าเดิมอีก เช็ดถูหนักกว่าเดิมต้องให้ทานท่านทำงานจนเหงื่อไหลตัวเปียกไม่ว่ามันจะหนาวจะร้อนเสื้อผมเปียกทุกวันทำอย่างนั้นได้อีกสักอาทิตย์นึงแล้ววันนั้นหลวงตาท่านก็เดินมาหาแต่เช้าท่านเรียกผมโยมโยมมาหนี่มานี่ม า, มาวันนี้ไม่ต้องไปเช็ดถูสารานะเมื่อเช้าฝนตกลมแรงมันสกรปรกไปไปไ ป, ไปเอาไม้กวาดมากวาดตาดช่วยพระนะโอ้ยผมแอบยิ้มไปตรงไหนก็ยิ้ม นึกในใจว่าท่านเมตตาเราแล้วนะแล้วผมก็ทําอย่างนั้นมาตลอดตั้งแต่ยังมีคนมาวัดบางตาจนคนมากันมากมายตอนหลังมีคนมาขอเช็ดเท้าหลุงตาหลายคนผมรู้สึกว่าไม่สะดวกก็เลยมอบหน้าที่ให้คนอื่นไปคุณวิชัยเสริมศิลปหรือเสียทู่เจ้าของร้านเสริมศิลป์เขาเข้ามาขอผมเขาบอกพี่ผมขอทําบ้าง ผมก็บอกอย่างนั้นพี่ต้องทำให้ได้อย่างผมนะผ้านีนต่างหากกี่พื้นกี่พื้นกะละมังต่างหากที่ตากต่างหากเมื่อแกรับปากผมก็ยกหน้าที่เรื่องผ้าเช็ดเท้าหลงตาให้แกทำต่อส่วนเรื่องน้ำผมยกให้คนอื่นไปผมก็หันมาทำหน้าที่อุ้มหมาไปถวายท่านเรียกมันว่าปุกกี้ผมก็จะอุ้มปุกกี้ไปถวายให้ท่านอุ้มพอผมมาบอกเสียทู่ว่าพี่เดี๋ยวนี้ผมมาทาตรงเนี้ยดีกว่าแต่ก่อนนะ หลงตาถูกแขนผมทุกวันเลยแกบอกถ้าอย่างนั้นผมขอด้วยแกเลยยึดไปทำหมดเลย